เสร็จเรื่องงานศพพระครูสิงหาราชมนีแล้วพระเจริญกลับมาที่บ้านโยมยายเพื่อจัดการเตรียมเสื้อผ้าคารวาสท่านจัดเสื้อผ้าได้หนึ่งกระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปศึกเอาดาบหน้าคิดว่าใจดีที่วัดไหนก็จะขอให้ท่านสมภารวัดนั้นศึกให้ท่านคิดจะไปที่ไหนหละ่ะโยมยายถามอย่างเป็นห่วง ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นไปทางเหนือใจคอมันไม่ค่อยจะปกติเลยจายโยมยายอาตมาอยากศึกใจจะขาดแต่พอคิดเรื่องศึกนี้มาทีไรเป็นง่วงเหงาหานอนทันทีมีหนำซ้ำเสียงประหลาดก็ตามมารบ ก, กวนซะอีกพระหนุ่มพูดอย่างเหนื่อยหน่ายแสดงว่าเริกหม่ดี ใจเย็นเย็นนะท่านรอให้เริกดีก่อนแล้วคอยสึกเชื่อโยมเถอะก็เพราะเชื่อโยมยายนี่แหละอาตมาถึงยังไม่สึกท่านพูดอย่างรำคาญกำลังอารมณ์ไม่ดีเลยพานกโกรธไปถึงผู้เป็นยายแล้วท่านจะกลับวัดพรหมบุรีก่อน หรือว่าจะเดินทางเลยคนวัยเกือบ9ก้าสิบเปลี่ยนเรื่องถามอาตมาไม่เข้าวัดพรมบุรีแล้วคืนนี้ขอจำวัดที่นี่หนึ่งคืนพรุ่งนี้จะออกเดินทางท่านพูดเนื่อ ย, อยไม่รู้สึกกระตือรือร้อนแต่อย่างใดทำไมท่านไม่ไปลาสมภารอย่างน้อย กได้อาศัยวัดท่านอยู่มาตั้งพรรษาโยมว่าน่าจะไปลำลาท่านก่อนอาตมาลาท่านตั้งแต่วันที่ไปอยู่วัดสังขาราชาแล้วรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยจะชอบหน้าอาตมาสักเท่าไหร่เอาไว้สึกแล้วค่อยไปกราบท่านอีกครั้งท่านพูดตัดบทคนเป็นใหญจึงไม่กล้าเสาสีจัดของเสร็จ ท่านจึงตรีมตัวออกจากบ้านบอกโยมยายว่าอาตมาจะไปลาโยมพ่อกับโยมแม่คงจะกลับค่ำค่าท่านไม่ได้พูดให้จบว่าหลังจากลาโยมบิดามารดาแล้วก็จะไปลาแม่ประยงลูกสาวนางนวลตอนท่านอยู่วัดสังฆราชานางนวลเคยมานิมนต์ไปฉันเพนที่บ้านแม่ประยงทาอาหารถวาย รสชาติอาหารที่หล่อนทำไม่ผิดเพี้ยนไปจากฝีมือยมใหญ่หล่อนมีอะไรอะไรหลายอย่างคล้ายยมใหญ่ของท่านทําให้ท่านตกลงใจว่าจะศึกแล้วส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอหล่อนมาเป็นสีพัญญาเรื่องสินสอดทองมั่นท่านก็มีพร้อมนางนวลคงไม่เรียกร้องอะไรหนักหนาด้วยว่านางร่ำรวยอยู่แล้ว แต่หากนางเรียกแพงเกินไปท่านก็จะถิวโอกาสเล่นตัวแม่ประยงดูหลงไหลท่านออกอย่างนั้นนางนวนหรือจะขัดใจลูกสาวคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัตาหารเรียบร้อยแล้วพระเจริญก็ออกเดินทางท่านหิ้วกระเป๋าสองใบใบหนึ่ง บรรจุเสื้อผ้าคารวาสอีกใบบรรจุอัฐบริขารคือเครื่องใช้สอยของพระภิกษุมีแดอย่างได้แก่สบงจีวรสังาติบาทมีดโกนเข็มประคดเอวและผ้ากรองน้ำสำหรับบาทนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้าท่านจึงใช้วิธีสะพายไว้ที่บาทซ้าย บาข้างขวาสพายย่ามในย่ามมีปัจจัยห้าช่างสายสร้อยคอทองคำหนักหบาทที่เป็นค่าจ้างจากป้าเหรียญแหวนเพชรหนึ่งวงอันถือเป็นของมั่นจากแม่ประยงและนาฬิกาไวเลอร์หนึ่งเรือนภาพพระภิกษุสพายบาทและย่ามด้วยบ่าซ้ายขวามือทั้งสอง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 ท่านตั้งใจจะไปขึ้นรถสองแถวที่ตลาดเพื่อไปลบบรุรีจากลบบุรีจะต่อรถไฟขึ้นเหนือจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ใดนั้นค่อยคิดอีกทีท่านเดินอย่างเร่งรีบมาที่ท่ารถซึ่งหยุดท้ายตลาดของที่หิวก็แสนหนักครั้นจะหยุดพักก็เกรงจะไม่ทันรถจึงต้องอดทนเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง ประมาณสามสิบนาทีก็มาถึงท่ารถพระหนุ่มเหนื่อยใจแทบขาดเหงื่อโทมตัวรถไปลบบุรีกำลังจะออกพอดีลงพี่จะไปไหนเสียงท้ายรถตะโกนถามไปลบบุรีขอไปด้วยคนท่านตะโกนตอบรถเต็มไม่มีที่นั่งนิมนต์ไปข้างหลังเธอครับ ท้ายรถบอกเขาไม่เต็มใจรับพระเพราะไม่ได้เงินให้อัตมาไปคันนี้แหละรอคันหลังเกรงจะไม่ทันรถไฟงั้นๆ่นก็ไปเบียดกับคนข้างหน้าก็แล้วกันส่งกระเป๋ามานี่เขาสั่งยังไม่พอใจนะักพระหนุ่มจึงส่งกระเป๋าสัมภาระสองใบให้ท้ายรถเหวี่ยงโครมไปบนหลงังคา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 นั่งได้เพียงสามคนอาตตมาอยู่วัดพรมบุรีท่านตอบแล้วหลวงพี่จะย้ายวัดไปอยู่วัดที่ลบบุรีหรือครับเห็นหอบของพรมพรังเปล่าอาตตมาจะขึ้นเหนือจะไปหาวัดที่จะทำพิธีศึกให้อัตมาได้ท่านบอกความในใจวัดที่พรมบุรีศึกให้ไม่ได้หรือครับคนขับสงสัย ไม่ทราบเหมือนกันเพราะอาตมาจะศึกถึงสองครั้งแต่ก็มีอันไม่ได้ศึกสมหารท่านเลยให้ไปหาที่ศึกเอาดาบหน้าอย่างนั้นหรือครับผมเองก็เพิ่งจะได้ยินนี่แหละหรือว่าลุงพี่มีอันจะต้องบวชตลอดชีวิตพระหนุ่มรู้สึกขุนใจกับคำพูดของคนขับจึงบอกขาวว่าอาตมามีคู่มั่นแล้ว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 จึงชวนคนขับคุยขอประทานโทษโยมมีครอบครัวแล้วหรือยังไม่แล้วครับลงพี่ผมมีเมียสามลูก5คนขับตอบอย่างภาคภูมิใจทั้งที่อยู่ในภาวะน่าชื่นอกตรมโอ้โหทำไมมีเมียเยอะจังดูท่าทางโยมยังหนุ่มยังแน่น อายุยังไม่ยากเป็นจะเพศกระมังท่านมองหนะ้าอ่อนเยาว์หักเกรียมแดดผมเพิ่งยี่สองครับหลวงพี่มีเมียตั้งแต่อายุสิเจ็มีสามคนพร้อมกันเลยหรือคนเป็นพระอยากรู้เปล่าครับอายุสิบเจ็ดมีคนหนึ่งคนที่สองกับที่สามมีตอนอายุยี่สิบทิ้งช่วงห่างกันสามเดือน คฤือหัดอธิบายทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นละ่ะบันพชิตไม่วายสงสัยก็สองคนมันอยากทะเลาะกันผมรำคาญเลยมีมันซะอีกคนจะได้หมดเรื่องโบราณสอนว่าเมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำราแล้วหมดเรื่องจริงหรือเปล่าชายหนุ่มผู้เป็นคฤือหัดหัวเราะแหะ ตอบว่าหมดอะไรได้ละท่านเรื่องมันยิ่งมากซะจนขม้องผมจะแตกนี่ทําไมห่หวงลูกห้าคนผมหนีไปบวชแล้วผมว่าหลุงพี่เป็นพระก็ดีอยู่แล้วอย่าสึกออกมามีเวรมีกรรมอย่างผมเลยเขวกเข้าหาสิ่งที่ทำให้พระหนุ่มขุนเคืองโดยที่เขาเองก็ไม่รู้มันไม่เหมือนกันหรอกโยม อาตมาคงไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวอย่างนั้นเพราะอาตมาเป็นคนรักเดียวใจเดียวท่านตอบด้วยท่าทีจริงจังเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างลุงพี่แต่ความคิดกับความจริงมันคนละเรื่องเลยครับผมว่าลุงพี่ก็เหมือนกันถ้าสึกออกไปรับรองว่าไม่มีเมียคนเดียวหรอกอาจมีมากกว่าผมด้วยซ้า อะไรทำให้โยงคิดอย่างนั้นพระเจริญเริ่มโกรดนิดๆกอลุงพี่เป็นคนมีเสน่ห์นะสิขนาดผมซึ่งเป็นผู้ชายด้วยกันยังดูออกประสาอะไรกับพวกผู้หญิงเกิดมารุมรักหลวงพี่พร้อมๆกันหลายคนหลวงพี่จะใจดำพอที่จะให้พวกหลอนอกหักเชียวหรือคำพูดของคนเป็นครือหัสทำให้ความโกรธน้อย ของคนเป็นบรรพชิตหายไปมีความปราบปลื้มเข้ามาแทนที่ท่านนิกเออ อ, อหอมหมกไปกับพ่อหนุ่มคนขับมิน่าแม่ประยงถึงกับเอาแหวนเพชรมามั่นไว้ก่อนตามธรรมเนียมผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับมั่นแต่ความมีสเสน่ห์ของเราทำให้หล่อนถึงกับยอมผิดธรรมเนียมเห็นคนเป็นพระนิ่งไป ฤหัตหนุ่มจึงถามอีกว่าลุงพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นคนมีสนเสน่ห์ก็พอจะรู้รู้ว่าแต่โยมเธอคิดจะมีคนที่สี่ที่ห้าอีกหรือเปล่าพันยานะท่านถามเพื่อลองใจผมยังไม่อยากอายุสั้นครับลุงพี่คือคำตอบมันก็แหลกนโยมนะ ที่โยมว่าผู้ชายมีสเสน่ห์ทาให้ผู้หญิงหลายคนมารักแต่ที่อาตมาเห็นน่ะบางคนไม่มีสเสน่ห์ไม่หลอ่อไม่รวยแต่ก็มีพัญญาหลายคนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเขาอาจจะมีของดีก็ได้เช่นอาจมีพระขุนแผนมีน้ามันพรายหรือมีคาถาทำให้ผู้หญิงรักคนขับตอบ คนเป็นบรรพชิตถึงกับหูผึ่งนึกอยากได้คาถาทำให้ผู้หญิงรักขึ้นเหนือคราวนี้ท่านจะต้องไปหาเรียนคาถาที่ว่าให้จงได้อตมาสนใจคาถาที่ว่าโยมพอจะรู้จักครูบาอาจารย์ที่ไหนบ้างอตมาจะได้ไปขอเรียนกับท่านถามอย่างกระตือรือรน้นเขาว่าหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพ ท่านเก่งเรื่องนี้ลุงพี่น่าจะไปขอริมจากท่านพระเจริญดีใจนักรีบถามว่าวัดที่ว่านี่อยู่จังหวัดอะไรล่ะโยมคนขับยังไม่ทันตอบก็พอดีกับรถถึงจุดหมายปลายทางเขาเปิดประตูออกไปแล้วอ้อมมาเปิดประตูทางซ้ายให้ท่านจากนั้นจึงไปรอรับสัมภาระซึ่งท้ายรถส่งมาให้จากบนหลังคา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 รถไฟพิษณุโลกกำลังจะออกท่านยังไม่รู้ว่าจะไปลงที่สถานีอะไรครั้นจะคิด น, น, นานๆก็เกรงจะไม่ทันรถไฟจึงเดินไปที่ช่องขายตัว๋วบอกพนัก ง, งานขายว่าจะไปลงพิษณุโลกท่านอยากไปนมัสการพระพุทธชินราชเกิดไปใจดีที่นั่นก็จะขอให้เจ้าอาวาสที่วัดนั้นทำพิธีศึกให้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 รถไฟก็มาจอดที่สถานีบ้านมี่เพื่อเติมฟืนมีคนลงที่สถานีนี้หลายคนท่านจึงได้ที่นั่งแต่ขณะเดียวกันก็มีคนขึ้นมาจากสถานีบ้านหมีและนั่งตรงข้ามกับท่านรถไฟเติมฟืนเสร็จก็ยังไม่ยอมเคลื่อนขบวนครู่ต่อมาคนตัดตัว๋วจึงเดินบอกผู้โดยสารว่า รถไฟเครื่องจักรเสียจะต้องใช้เวลาซ่อมประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเสียงผู้คนพากันบน่นฟังไม่ได้สับแล้วโยมที่นั่งตรงข้ามท่านก็พูดขึ้นว่าแม้ไอรถไฟบ่านน่ทำให้เสียเวลาจริงๆ จ, จะไปกราบหลวงพ่อเดิมทั้งทีไม่นามีอุปสรรคเลยได้ยินชื่อหลวงพ่อเดิมพระเจริญก็ดีใจ รีบถามโยมคนนั้นว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใช่ไหมโยมปุรุษนั้นมองหน้าท่านแล้วจึงตอบว่าถูกแล้วครับท่านล่ะจะไปไหนอาตมาจะไปพิษณุโลกแต่ก็อยากไปนมัสการหลวงพ่อเดิมบ้างขออาตมาไปด้วยคนได้ไหมได้สิครับแต่เมื่อท่านลงที่สถานีหนองโพแล้ว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 ต้องเดินทางไปพิศนุโลกรอให้แต่งงานแต่งการเรียบร้อยแล้วจึงค่อยพาแม่ประยงไปน้ำมสการพระพุทธชินาราชเมื่อท่านตกลงใจที่จะไปวัดหนองโพกับโยมผู้นั้นรถไฟก็ออกจากสถานีบ้านหมีทั้งที่เวลาเพิ่งผ่านไปเพียง20นาทีเท่านั้นในก็ว่าต้องรออีกตั้งชั่วโมงโยมผู้นั้นพูดขึ้นสงสัยหลวงพ่อเดิมท่านโดนบันดาลให้เป็นไป ผู้หญิงที่นั่งแถวขวามือท่านคาดคาเนรถไฟล่นต่อไปอีกพักใหญ่ๆและเจาะสถานีรารทางไปเรื่อยๆกระทั่งถึงสถานีใหญ่มีผู้คนหาข้าวแกงมาขายข้างทางบ้างก็ขายไก่ย่างบ้างขายมะขามเทศมันแกว ขนมกบเคี้ยวต่างๆพระเจริญรู้สึกหิวจึงถามโยมที่นั่งตรงข้ามว่าสถานีอะไรรุยโยมดูมิของขายมากมายจริงสถานีช่องแคกครับนี่คงจะได้เวลาชันเพลงแล้วเขายกนาฬิกาขึ้นดูแล้วพูดว่า 11.40 นาคงยังไม่หมดเวลาเพลง น, นะครับผมขออนุญาตถวายเพลงท่าน เขาเรียกแม่ค้าข้าวแกงและสั่งข้าวราดแกงมาถวายท่านหนึ่งจานเด็กผู้ชายอายุราวสิบขวบสองสามคนถือกาน้ำเดินตามตู้รถไฟปากตะโกนว่าน้ำฝนครับน้ำฝนแก้วละาสะตางเมื่อท่านฉันเสร็จโยมคนเดียวกันจึงซื้อน้ำถวายท่านหนึ่งแก้วเด็กชายรินน้ำส่งให้ท่าน พระหนุ่มดื่มเสร็จจึงส่งแก้วคืนรับเงินจากโยมคนนั้นแล้วเด็กชายจึงร้องขายต่อไปเมื่อรถเคลื่อนจากสถานีพวกเขาจึงพากันกระโดดลงจากรถอีกนานไม่โยมกว่าจะถึงหนองโโพท่านถามโยมคงไม่เกินชั่วโมงก่อถึงท่านยังไม่เคยไปหรือครับเขาย้อนถาม ไม่เคยอยู่จังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดพิจิตรวัดน้องโพนะจังหวัดนครสวรรค์ครับอยู่เลยตาคลีไปสถานีเดียวลุงพ่อเดิมท่านเก่งทางไหนหรือโยมท่านถามอีกท่านเก่งหลายอย่างครับคนเขาแห่กันไปเช่าของครั้งจากวัดท่านมีทั้งแหวนมีดหมอ เรียนและนางกวักไกรเช่าของท่านไปทำมาค้าขึ้นกันทุกคนเลยพากันมาไม่ขาดสายตอนอาตมานั่งรถสองแถวมาจากลบบุรีคนขับเขาก็บอกว่าท่านมีคาถาทำให้ผู้หญิงรักด้วยท่านพยายามบกเข้าสู่เรื่องที่ต้องการรู้เอเรื่องนี้ ผมไม่เคยได้ยินนะครับแต่ท่านอาจจะมีจริงๆก็ได้บางเอิญผมไม่สนใจเรื่องนี้ก็เลยไม่ทราบเขาตอบแบ่งรับแบ่งสู้ท่านอายุเท่าไรแล้วพระเจริญถามอีกหนึ่งร้อยสามปีครับคิดว่าท่านคงอยู่ได้อีกหลายปีเพราะยังดูแข็งแรงดี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 แล้วยังจะได้คาถาทำให้ผู้หญิงรักเป็นของแถมอีกด้วยช่างโชคดีอะไรเช่นนี้